จะเรื่สมาธิการสร้างสติสร้างสมาธิให้มีให้เกิดขึ้นในการในใจของเราวางกายของเราให้สบายวางใจของเราให้สบายถ้าใจของเรายังนึกคิดปูกแต่งยุบเราก็พยายามจยุดดับความกังวลดับความห่วงร่านต่างๆออกไปให้หมดลองสูตดลมหายใจเข้าไปยาวๆลึกๆให้ทั่วงท้องแล้วก็ผ่อนลมหายใจมาเจายวๆสักสองสามเที่ยง กายของเราคือว่าสบายขึ้นใจของเราก็สงบนิ่งขึ้นความรู้สึกสัมผัสของลมหายใจที่วิ่งเขาวิง่งออกกจากปลายจมูกของเรานี่แหละให้เราพยายามสร้างความรู้สึกตรงนี้ตั้งแต่ตื่นขึ้นมาอันนี้เป็นการย้ำเป็นการตื่นตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเราได้สร้างความรู้ตัวหรือว่าได้เจริญสติให้ต่อเนื่องกันแล้วหรือยังพยายามฝึกผลให้เกิดความเคยชิน ทุกข์พยายามปพอรู้ตัวปุ๊บเราก็พยายามสร้างความ ร, รู้สึกตัวสติก็ตั้งมันขึ้นอยู่กับปัจจุบันนิวรณ์ความเจ็ดคลานก็คลายลงไปสติของเราก็ตั้งมั่นขึ้นรู้เท่าทันกายรู้เท่าทานันจิตจะทําอะไรจิตของเราก็ยังปกติอยู่สติก็จะผากายลุกเดินยืนนั่งนอนทํากิจวัตรประจําวันของเรา จิตคนนิ่งอยู่ในสมาธิอยู่เราต้องรู้จักทำความเข้าใจทุกเรียบบททุกคนก็มีบุทจึงได้เกิดมาเป็นมนุษย์ทุกคนก็ได้ประพฤติปฏิบัติธรรมกันมาก่อนถ้าไม่ได้ประพฤติปฏิบัติธรรมกันมาไม่ได้สร้างบุญกันมาก็ายากที่จะได้เกิดมาในเมื่อพวกเราเกิดมาแล้วพวกเราก็ได้ปฏิบัติธรรมโดยที่พวกเรายัางไม่รู้ว่าตัวเองได้ปฏิบัติธรรม มีการเปลี่ยนแปลงของสภาพร่างกายจากเด็กเป็นผู้ใหญ่ผ่านการผ่านเวลาผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านทุกข์ผ่านสุขได้รับการศึกษาได้รับการเรียนรู้จักบาปปุลคุณโทษมีความเชี่ยวรู้จักรับผิดชอบบางคนบางท่านเขาสร้างอนิสงส์มาดีเกิดมาในตระกูลที่เป็นสัมมาทิฏฐิปักใฝ่ในปุญในกุศล สมมติเไม่ได้เดือดร้นได้รับการศึกษาได้รับการเรียนอันนี้สร้างบุญสร้างอา น, นิศง์มาดิบุญอยู่ปัจจุบันเราก็ได้มาเพิ่มมาเสริมมาเติมมาแตงมาสร้างขึ้นมาอีกทั้งทางด้านสติทางด้านปัญญาทางด้านศรัทธาน้อมกายน้อมใจของเราเขามาเชื่อมั่นในคุดพระธนรมเทเชื่อมั่นในคําสั่งสอนของพระพุทธองค์ แล้วก็มาทำความเข้าใจสร้างขึ้นให้มีให้เกิดขึ้นในใจของเราการเจริญสติลักษณะของสติที่โตเนื่องกันเป็นอย่างไรไม่ใช่ว่าเราจะเป็นนึกไปคิดเอาว่าจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มาทำความเข้าใจกับภาษาธรรมภาษาโลกภาษาธรรมภาษาโลกสัว่าดูสัตธว่ารู้สัตธว่าฟังเป็นลักษณะอย่างไรความหมายเป็นอย่างไร การเจริญสติที่ต่อเนื่องกันเป็นอย่างไรการควบคุมจิตของเราเราควบคุมจิตของเราได้ระดับไหนลักษณะของจิตที่สงบลักษณะของจิตที่ปกติเป็นอย่างไรเวลาจิตเกิดอาการโวยจิตส่งออกไปข้างนอกเป็นลักษณะอย่างไรเวลาความคิดผุดขึ้นมาปรุงแต่งจิตหรือว่าอาการของขันท่าผุดขึ้นมาปรุงแต่งจิตเขาเริ่มขอตัวอย่างไรจิตของเราจะเคลื่อนเข้าไปรวมกับความคิดในลักษณะอย่างไร ถ้ากำลังสติหรือว่าความเรื่องตัวของเราต่อเนื่ฮฮฮฮเราก็จะรู้เท่าทันถ้าเรารู้ไม่เท่าทันมันก็รู้จะควบคุมเอาไวา้ควบคุมกายควบคุมวิจาล้วก็ควบคุมจิตควบคุมอารมณ์ถ้าเรามันสังเกตมันควบคุมมันวิเคราะห์ อ, อยู่อย่างนี้อยู่บ่อยๆอยู่เนืองๆเราก็จะเห็นชัดเจนรู้จิตชัดเจนรู้ความคิดชัดเจนถ้าเราแยกรูปแยกนามได้เมื่อไร เราตามทำความเข้าใจแล้วก็จะรอบรู้ในโคงทังขารรอบรู้อ น, นิจจังทุกขังอนัตตาในขันท่านี่แหละเขาเรียกว่ารอบรู้ในโลกโลกภายในของเราส่วนมากเราจะไปรอบรู้ทั้งแต่โลกภายนอกโลกธรรมภายนอกซึ่งจิตก็ส่งออกไปภายนอกตลอดเวลาในลําธรรนั้นท่านให้จิตรับรู้จําระสัาฉกิเลสออกจากใจของเราตามสภาวะเดิมจิตของทุกคนนั้นสะอาดไม่มีกิเลส กิเลสนี้มีมาทีหลังเพราะว่าโมหะความหลงความไม่รู้ไม่รู้ว่ากี่พบกี่ชาติกี่กับกี่กันที่ลงวนเวียนว่ายตายเกิดอยู่นี้เราต้องทําความเข้าใจกับวิบัติกรรมเสียกรรมอาการของขันหานั่นแหละคือตกกรรมมาปรุงแต่งจิตของเราให้ได้หลงอยู่หมุนเป็นวงกลมอยู่ถ้าเราแยกได้เมือ่อไหรเราก็ตัดวงกลมเหมือนกับไปตัดวงกลมตามทําความเข้าใจแล้วก็ละกรรม กรรมเก่าก็ตางไม่ทันกรรมใหม่กรรมยู่ปัจจุบันคือการกระทำเราก็สร้างแต่กุศลสรกรรมสูงขึ้นไปเราก็ไม่ยึดสร้างเพื่อให้เกิดประโยชน์เราก็จะอยู่เนื้อกำเหนือบุญเนื้อปังละอกุศลเจริญอุสรแต่ไม่ยึดเราก็จะอยู่กับบุญตลอดเวลากายก็เป็นบุญว่จาจัก็เป็นบุญใจก็เป็นบุญอยู่ที่ไหนก็เป็นบุญถ้าใจของเราเป็นบุญแลย รู้จักสร้างอานิสงส์สร้างธรามะวรรมีให้แ ก, ก่ก้าวัทธาของเราเต็มเปี่ยมความ ข, ขยันหมั่นเพียรของเราเต็มเปี่ยมมีสัจจะ ก, กัจจุรองไม่เอารัดเอาเปรียบคนอื่นมองโลกในทางที่ดีคิดดีข ย, ยันหมั่นเพียรทั้งฝาละหน้าที่สมมติต่งางๆทำความเข้าใจก็สมมุติอยู่กับสมมุติไม่ให้สมขขงงมุติเข้าครอบงำอยู่อย่างอยู่ดีมีความสุข กายห้องเรานี่แหละก้อนสมุติไม่ต้องไปแสวงยหาที่ไหนหรอกกายห้องเรานี่แหละก่อนทำกายห้องเรานี่แหละก่อนบุญก่อนกลับก้อนบุญพยายามเน้นลงอยู่ที่กายการได้ศึกษาการได้รเรียนการได้อา่านการได้ฟังทุกคนมีกันเต็มปีบอันนั้นเป็นแค่เพียงแผนที่ที่ในแนวทางให้เราต้องพยายามเดินเดินในที่นี้หมายถึงการสร้างสติสร้างปัญญา ปัญญาโน้มก็ไปสํารวจรดตาดูจิตของเรารู้กายรู้จิตรู้จักทำความเข้าใจสํารวจกายของเราทําหน้าที่ยอย่างไรกลางวันทั้งหกห้องเราทําหน้าที่ยอย่างไรถ้าเราหมั่นวิเคราะห์ตัวเองเราจะสนุกสนุกในการสํารวจในการทําความเข้าใจยิ่งเราแยกรูปแยกนามใดเมื่อไหรยิ่งจะสนุกใหญ่ทําไมทั้งว่าสนุกเพราะเรารู้โทษอทัทนกิเลสกิเลสตัวในมันจะมาหลอกหลอน ความโลภความโกรธความเพลเยะทะยานยาความยินดียินร้าย ต, ต่างๆกิเลสยากกิเ็สละเอียดมันจะมาหลอกเราในลักษณะอย่างหน่อยถ้าเราพลั้งเผลอก็เริ่มใหม่พลั้งเผลอก็เริ่มใหม่อย่าไปปิดขั้นตัวเองเด็ดขาดพยายามให้กำลังใจตัวเราตลอดเวลาพยายามมันเพียรสะสมให้เรียบร้อยเสียขณะที่เรายังมีกำลังอยู่อย่าไปผลัดวันประกันพรุ่ การศึกษาการค้นคว้าการสำรวจการทำความเข้าใจการเจริญรักษาสินการเจริญสติการเจริญสมาธิความหมายก็อยู่ที่เพื่อที่จะละกิเลสขัดเก่ากิเลสออกจากใจของเราให้หมดถึงจะคลั่งเครกมากมายถึงขนาดไหนแล้วก็พยายามละกิเลสออกจากใจของเราให้มันหมดทุกคนมองข้ามในสิ่งเล็กๆนน้อยการเกิดของจิตเป็นอย่างไรการเกิดของความคิดเป็นอย่างไรถึงความคิดนั้นไม่มีกิเลสวิชช์ เราก็ต้องพยายามตามทําความเข้าใจให้เรียบร้อยแม้ตั้งแต่การหายใจเข้าออกตั้งแต่ตื่นเช้าขึ้นมาเรามีความรู้ตัวที่ต่อเนื่องแล้วหรือยังเราได้จัดสร้างความรู้ตัวได้ต่อเนื่องกันแล้วหรือยังเราพลั้งเผลอไปสักกิจเที่ยวส่วนมากจะไม่ค่อยได้สั่งกันจะเอาตั้งแต่ปัญญาอย่างเดียวมันก็เลยกระโดดข้าม่านภายในของกิจไปเสียบางทีปัญญ า, า ก, ก็เกิดจากกิจเกิดจากขันห้า ซึ่งเขารวมกันไปบางทีว่าเกิดจากกิจของเราโดยตกที่ส่งออกไปอาจจะถูกต้องอยู่ในระดับของสมมุติแต่ในระดับของวิ ม, มุตตแล้วเราต้องแยกต้องคลายต้องทำความเข้าใจแ ล, ล้วก็ละชำระสสารกิเลสของจากกิตจากใจของเราให้มันหมดปัญญาไปเกิดไปทำความเข้าใจไปละไปดับไปทำความเข้าใจไปไปใช้ ถ้าเราเข้าใจเราก็จะได้ฟังธรรมะตลอดเวลารูปรสกลิ่นเสียงสัมผัส ต, ต่างๆก็จะเป็นอาจารย์สอนธรรมะให้เราอยู่ในอริยบทไหนเราก็จะได้ฟังธรรมเพราะว่าเราทำกายของเราให้เป็นวัตถและทำใจของเราให้เป็นวัจเจเละเป็นพระเจเละอยู่ไรอยู่นาอยู่ที่ทำการทำงานเราก็จะได้ฟังธรรมเอาการงานเป็นการปฏิบัติธรรมทางานไปด้วย ละนิวรไปด้ยวยละความเจ็ดคล้านไปด้วยสร้างความรับผิดชอบต่อพร ะ, ะนาทีให้มากมั่ใจของเราก็ได้พักผ่อขนขณะที่ทำการทำงานก็พยายามกันไม่ว่าพระวาโยว่าชีก็พิจารณาเหมือนกันหมดเพราะทุกคนมีจิตมีวิญญาณมีกายเนื้อเหมือนกันหมดเดินในทางเส้นเดียวกันแต่จะถึงช้าหรือถึงเร็วเท่านั้นเอง บางคนก็ช้าบางคนก็เร็วทุกสิ่งทุกอย่างจะไปบังคับเกี่ยวเข็นไม่ได้ก็ว่าเขาจะเป็นไปตามกฎของเขาขอให้เราสร้างบา ร, รมีให้เพียงพอสร้างบา ร, รมีทุกสิ่งทุกอย่างเราก็มาเจริญสติกำลังสติของเราเพียงพอเราก็คงจะแยกรูปแยกนามได้เราจะไปเร่งทำด้วยความทะเยอทยานอยากที่เกิดจากกิเลสไม่ได้เด็ดขาดเหมือนกับเราปลูกต้นไม้เราปลูก ต้นไม้วันแรกเราจะได้ไงเขาออกดอกออกผลเลยทีเดียวก็ยังไม่ได้เราต้องมันรดนะ้ำมันดูเล่มันพนดินดูแลรักษาเขาให้ดีพอ เ, เติบโตขึ้นมาแล้วเขาก็จะออกดอกออกผลให้เราเราไม่อยากจะได้ดอกได้ผลเราก็ต้องได้การประพฤติปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันเราก็ต้องพยายามมันสํารวจมันตรวจตามันแก้ไขมันปรับปรุงไปตลอดเวลาทั้งภาระนาที่สมมุติ ถ้าสมมุติของเรายัางเดือดร้อนอยู่มันก็อยากที่จะพึทธันปฏิบัติจิตได้ไหนกายก็หิวในครอบครักวก็ลําบากในสิ่งโน้นก็ยังไม่พร้อมถึงนี้ก็ยังไม่พร้อมการประพฤติปฏิบัติจิตมันก็ไปยากลําบากเราก็ต้องพยายามทําสมมุติให้บริบูรณ์ความเป็นอยู่ของเราก็บริบูรณ์แล้วก็จะส่งผลถึงจิตกายวิเวกเป็นอย่างไรจิตวิเวกเป็นอย่างไรสถานที่สัปปายะเป็นอย่างไร เราก็ต้องพยายามศึกษาแล้วก็ทำความเข้าใจให้ท่องแท้เสียแต่จิตของเรารู้เห็นตามความเป็นจริงและ<ๆ>เขาไม่เอาหรอกทุกแม้แต่การเกิดเขาก็ไม่เอาจิตโ่งออกไปข้างนอกเริวากจิตเกิดมันก็จะเข้าสู่หลักของอริยสัจนิโรธการดับการทำความเข้าใจด้วยสติด้วยปัญญามันก็จะตามมา่ำมันก็ไม่เหลือวิสัยลบบุคคลที่มีสติมีปัญญา ฟังนี้เดียวรู้แนวทางแล้วไปเร่งทำความเพียนการสร้างปฏิทิศตัวหนึ่งเป็นอย่างนี้เรารู้ไม่ทันการเกิดกันดับของจิตการเกิดกันดับของกันท่าเราก็ใช้สมถะเขาไปดับเริ่มใหม่เริ่มสังเกตตัวใหม่ที่จะเข้ามาสังเกตไม่ทันเราก็รู้จักดับจะควบคุมเอาไว้จนกว่าจะแยกได้เมื่อไหร่นั่นแหละสมมาทิฐิความรู้แจ้งเห็นจริงก็จะเปิดทางให้ พอเปิดทางให้เมื่อไหรกําลังสติของเราก็ต้องตามทําความเข้าใจทุกวิถีทางถ้าเราไปปล่อยปละละเลยเขาก็จะซึมเพ้าสู่สภาพเดิมอีกนั่นแหละเราต้องพยายามสร้างความเป็นกลางคือความว่าให้มีให้เกิดขึ้นในการในใจของเราความว่างความเป็นกลางนั่นแหละคือองค์ธรรมนั่นแหละคือธรรมคือเครื่องตัดสินไม่เข้าข้างตัวเองไม่เข้าข้างคนอื่นเราก็จะมองเห็นความถูกต้อง ตราไปที่เรายังแยกรูปแยกนามไม่ได้จิตของเราก็ยังอยู่ในกองกุศลด์เดี๋ยวพยายามทิ้งกองกุศลพยายามสร้างกองกุศลเอาไว้คือสร้างบุญเอาไว้บุญก็จะเป็นทิพพึ่งเป็นเครื่องนาพาเป็นอุคณิมิตของทุกคนถึงจิตจะหลุดพ้นถึงจิตจะไม่ยึดมั่นถือมั่นเราก็พยายามสร้างบุญสร้างกุศลเอาไว้เพื่อให้เกิดประโยชน์ประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์ในโลกนี้แล้วก็ประโยชน์ในโลกนะ เอาประโยชน์ในโลกปัจจุบันให้ได้เสียก่อนเราทำปัจจุบันดีอนาคตก็จะออกมาดีถ้าเราอยากจะรู้ตัวเราดีเราก็พยายามทําบวดดูอดีตเราทำอะไรก็จะส่งผลถึงปัจจุบันปัจจุบันเราทำอย่างไรก็จะส่งผลถึงอนาคตพยายามละอกุศลล้วก็จเจริญกุศลให้มากๆให้ได้ครบทุกอย่างทั้งการจเจริญ ท, ทัติการจเจริญสมาธิการรักษาศีลการทาความเขา้าใจ เรารักษาศีลไปเพื่ออร่อยเราจเจริญสติจเจริญสมาธิไปเพื่ออร่อยจุดมุ่งหมายของการสำรวจการสำระาษาสังคีติผเราก็จะถึงเมื่อเราถึงแล้วเราก็จะรู้เองไม่มีใครประกาศให้เราก็เรานั่นแหละประกาศเองรู้เองเห็นเองทาความเข้าใจได้เองขณะที่เรายังไม่รู้จักแนวทางเราถึงได้แสงวงหาค้นคว้าที่โนนบังที่นี่ังเป็นการสร้างบารมีให้กับตัวเรา ถ้าถึงเวลาแล้วก็อย่อมจะเข้าใจเราปักใฝ่ในธรรมเราย่อมจะรู้ธรรมฝักใฝ่ในโลกเราก็ย่อมจะเห็นโลกตามความเป็นจริงโลกก็ทำว่าอยู่ด้วยกันนั่นแหละสมมุตกิกระวิมุก็อยู่ด้วยกันนั่นแหละจิตกับกายเขาก็อาศัยกันยุบเมื่อกายแตกดับนั่นแหละเขาถึงจะได้ไปจริงๆแต่เวลานี้เรามาทําความเข้าใจด้วยสติด้วยปัญญาสร้างความรู้ตัวเข้าไปแยกแยะด้วยสติด้วยปัญญาให้รู้เหตุตามความเป็นจริง ถ้าหมดลมหายใจเมื่อไรนั่นแหละเขาถึงจะได้แยกออกจากกันจริงๆการได้ยินการได้ฟังการได้อ่ทุกคนมีกันเต็มปริบการเริ่มลงมือจริงๆแล้งบางคนบางท่านก็ลงมืออยู่แต่ยังไม่โตเนื่องเราพยายามทำให้โตเนื่องตัวสุดท้ายตัวการเจริญสติการเจริญสมาธิการควบคุมจิตควบคุมอารมณ์การแยกรูปแยกนามใครความหลงใครโมหะ ตรงนี้แหละคนเราไม่ค่อยจะสนใจกันเพราะว่ากิเลสมานต่าง ๆ, ๆเขาก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆก็ก็หาเรื่องมาฉุดมารังเอาไว้สารพัดอย่างที่เขาจะฉุดจะรังเอาไว้ถ้าเราไม่มีความพยายามมันเปลี่ยนจริงๆก็ยา ก, ยากอยู่เหมือนกันถ้าวิบากกรรมสมมติไม่ค่ายมันก็ยากอีกนั่นเองเราก็ต้องพยายามต่อสู้แก้ไขปรับปรุงตัวเรารู้จักใช้ตัวเราให้ได้ รู้หาเหตุหาผลทุกสิ่งทุกอย่างมีเหตุมีผลหมดไม่ใช่ว่าจะเป็นนึกดุนเราเอาตามเกลเลของตัวเราให้เชื่อความคำสั่งสอนของพระพุทธองค์แล้วก็พระพุทิปฏิบัติให้รู้ให้เห็นใจกอ่อนท่านั้งบอกให้เชื่ออีกครั้งให้เดินตามทางเช่นนี้นะเราเดินตามทางที่ท่านบอกถ้าถึงจุดหมายแล้วแยกรูปแยกนาได้แล้วบดความสงสัยหมดความลังเล มีตั้งแต่จะเร่งทําความเพียนให้ถึงจุดหมายปลายทางช่วงที่เรายังแยกรูปแยกนามไม่ได้มีตั้งแต่นี้วอนทมต่างๆมาการกั้นเอาไว้เพราะกิเลสมารต่างๆหยาบๆละเอียดมาปิดกั้นเอาไว้ตัวกิเลสมารเขาก็ไม่อยากจะให้จิตของเราตกไปสู่กระแสธรรมถ้าเราแยกรูปแยกนามได้ฝืนอารมณ์ฝืนความคิดจนจิตตกกระแสธรรมเป็นธรรมชาติในการดูในการรู้ในการละกิเลสแล้วก็ ตงนั้นแหลจะสนุกเราพยายามปาั่นอาสร้างความรู้รับรู้การหายใจเขาออกให้ต่อเนื่องกันสักพักยยสักไร่หนึ่งใช่ก่อนนะถึงเราไม่ได้สร้างก็ให้สร้างขณะที่นั่งอยู่นี้แหละให้ระลึกรู้สัมผัส้องลมหายใจเขาออกของเราให้ต่อเนื่องกันให้เป็นธรรมชาติที่สุดอยู่หลายคนก็มืน่นก็อยู่คนเดียวอยู่คนเดียวขนาดนี้ก็ให้รู้ว่าลมวิ่งเขา้ขาวิ่งออกกระตุ้ปลายจมูก ข, ของเราอย่างดีเหมือนกับนายปัตูทวานที่คอยสังเกตว่ารถกันไหนจะวิ่งเข้าก็ รับรู้อยู่รถคนไหนจะวิ่งออกก็รับรู้อยู่อะไรจะเข้าจะออกก็รับรู้อยู่เราพยา ย, ยามสร้างให้เกิดความเคยชินทุกเรื่องในชีวิตเราต้องแก้ไขตัวเราเองหมดอ่ะตั้งสติและเรื่ดรู้การหายใจเข้าออกให้โตเนึ่งกันพักระยะหนึ่งจกก่อนนะ